ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะประพระปุพพสิกขาและปุพพสิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นนิสกิยะปา จ, จิตตีสาสิบสิกขาบทจากพนานาในนิสกิยะสิกขาบท นิสสกิยาสิกขาบทมีสามสิบสิกขาบทระดับด้วยวัคสามวัควัคที่ต้นคือวัตแรกชื่อว่าจีวรวัคมีสิสิกขาบทสิกขาบทที่ต้นคือปฐมกถินสิกขาบทแรกความว่าจีวรที่ตุทำสําเร็จแล้วกระถิ่นดาะแล้วคือว่าอานิสงกระถินทั้งห้ารำงับแล้ว ด้วยปริพ o o t สองขาดแล้วก็คืออาวาสปริพ o o t กับจีวรนปริพ o o t ไม่กลับมาสู่อาวาสนี้แล้วแล้วก็เลิกทําจีวรแล้วหรือว่าจีวรเสียหายไปส่วนอนิสงฆ์กระถินห้าอย่างก็ได้แก่อานามันตจจาโรเที่ยวไปไหนไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทชริกตาสิกขาบทแล้วก็อะสมาดานจาโรไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสําหรับตาม สิกขาบทก็คืออุโทโธสิตะสิกขาบทแล้วก็คณะโภชนางฉันคณะโภชนะได้ตามคณะโภชนะสิกขาบทประดมประระโภชนะสิกขาบทด้วยแล้วก็ยาวะทัตต์ชีวรังยาวะดัตต์ชีวรงทรงอจิเรกจีวรได้ตามปรารถนาในมติมกสินสิกขาบทเนี้ยไม่ต้องทรงอจิเรกจีวรได้สิบวันตามมตถมกสิทินี่นะ โยจะตัดถะจีวรุปปาโดจีวรที่เกิดขึ้นณที่นั้นจะได้แก่พวกเธอเช่นจีวรที่ของพิษุสมเนนที่อาพาธที่หมดหน้าพ้ารองหรือว่าจีวรที่จ่ายมาด้วยค่ากันปนาสงเกิดในวัดนั้นก็จะได้แก่พวกเธอผู้ได้กรากรกฐินแล้วนี่เป็นอนิสง์ของกฐินห้าอย่างก็ได้รถจอ์สิกขาบทหลายข้อก็ถ้าเกิดกฐินต่อจะแล้วเนี่ยนะ ให้สงกระถินปริพัวทั้งหลายขาดหมดแล้วให้พิกจุพึงเก็บอัตเตชีวรก็คือผ้าที่ยังไม่ได้วิกลอธิษฐานไว้เพียงสิบวันยังไม่ได้วิกลยังไม่ได้อธิษฐานเนี่ยนะเก็บไปได้สิบวันเป็นอย่างยิ่งเมื่อพิกจุไว้อัตเตชีวรนั้นให้เกินสิวันไปก็คือเกินสิบวันจนถึงอารุณที่สิบเอ็ดขึ้นมาผ้านั้นเป็นนิสกีเป็นอาบัตปาจิตตีด้วยเป็นอาบัตปาจิตตีต้องสละผ้านั้นก่อนจึงจะแสดงอาบัติตก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 มีได้เกิดไม้เป็นต้นผ้าหกอย่างนี้ก็ดีและผ้าทุกกุละผ้าปักคุณนะผ้าโสมารัปะตะผ้าจินนปะตะผ้าอิทิชะเกิดจากอิทธิฤทธิ์และผ้าเทวดาให้เนี่ยเทวทัตตเหล่านี้เป็นอนุโลมตามผ้าหกอย่างก่อน ชื่อว่าจีวอ น, นะจีวรนก็คือผ้าหกชนิดนี้แล้วก็ผ้าอนุโลมอีกหกชนิดที่ประพุทธเจ้าทรอนุ ญ, ญาตไว้ที่ยังไม่ได้อดิตฐานและวิกัพจึงชื่อว่าอาเตเตจีวร อ, อย่างต่ําก็เท่าไหร่นะแปดนิ้วคุณสี่นิ้วนับแต่วันได้ผ้านั้นมาเก็บไว้จนถึงอารุณ์ที่สิบเอ็ดขึ้นมาไม่ได้อดิตฐานวิกัพเสียสละเสียในระหว่าง น, นั้นไม่ได้อดีตฐานไม่ได้วิกัพแล้วก็ไม่ไสละในระหว่าง น, นั้นก็ เป็นนิสักียะปาจิตตีผ้าเป็นนิสักียะปาจิตตีแล้วไม่เสียสละแก่ะงหรือคณะหรือบุคคลก่รเอามาบริโภคคือนุ่งหม่มเป็นทุกข์กฏวิธีอธิษฐานและวิกลับและเสียสละผ้าเป็นนิสักียะนั้นจักกล่าวข้างหน้าผ้าล่วงสิบวันไปแล้วภิกษุรู้อยู่ว่าล่วงสิบวันก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีสำคัญว่ายังไม่ล่วงก็ดีก็คงเป็นนิสักียะปาจิตตี ถ้าไม่ได้อดีษฐานและวิกัพยังไม่ได้สลักให้แก่ผู้อื่นและยังไม่ชิ้ภายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีสําคัญว่าอดีษฐานแล้วเป็นต้นล่วงสิบวันไปก็คงเป็นนิสสกิยะปยิตีเหมือนกันแสดงว่าก็เป็นอจิตตกะจะรู้ไม่รู้ก็ต้องอบภั้งนั้นถ้ายังไม่ล่วงสิบวันสําคัญว่าล่วงแล้วก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีเป็นทุกกฎ ด, ด้วยบริโภคเพกตัวอดีษฐานเสียวิกัพเสีย สละให้ผู้อื่นเสียภายในสิบวันประดีถ้าหายทิ่หายเสียไปไม่เสียโจนชิงเอาอไปเสียเพื่อนถือเอาเสียด้วยวิสาสะในภายในสิบวันประดีหรือว่าพิจูบเป็นบ้าเป็นต้นกรดีเป็นบ้าถูกเวทนาครอบงามมีจิตฟุ้งซ่านหรือว่าต้นประยัญญติเนี่ยเหล่านี้ไม่เป็นอบัติทิ่คาบทนี้เป็นอะนานัติ ก, กาใช้ให้ลืมไม่ได้หล้วใช้ให้ เจ็บผ้าเกินสิบวันนี้ไม่เป็นอาบาัตสานักผู้ใช้ผู้บังคับคนทำก็เป็นอาบาัตปล่อยให้จีวรเกินขึ้นมาก็เป็นอาบาัตมีองค์ห้าเป็นอนานนติกะมีองค์ห้าก็คือข้อที่หนึ่งผ้าประกอบด้วยชาติและประมาณเป็นของของตนผ้ากบับชาติก็คือผ้าหกชนิดนั้นประมาณก็คือแปดนิ้วกว่สี่นิ้วนี่แหละของของตนอยี่ยนะนิพปานสุคตผ้านั้นถึงซึ่งการนับวันได้ คือว่าถึงมือตนแล้วเป็นต้นก็คือสิบวันตั้งตัวเองรับมาแล้วเนี่ยสิบวันจะปล่อยให้คืนที่สิบเอ็ดขึ้นมาวันที่สิบเอดขึ้นมาก็ผ้าเป็นนิสสกีอง์ที่สองก็คือผ้านั้นถึงการนับวันได้ก็คือเรินสิบวันแล้วข้อที่สามตัิโทษทั้งสองขาดแล้วอาว่าติดโพษก็ไม่มีจีวันติดโพษก็ไม่มีข้อที่สี่ผ้านั้นเป็นอัติเรศจีวอก็คือไม่ใช่ผ้า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 ผ้าประกอบด้วยชาตและประมาณเป็นของของตนอย่างหนึ่งปาริสองผ้านั้นถึงการนับวันได้คือว่าถึงมือของตนแล้วเป็นต้นปาริสามไม่มีปริพโธดทั้งสองปริพโธดทั้งสองขาดแล้วปาริสี่ถ้านั้นเป็นอัติเดชีวรนปาริห้าล่วงสิบวันไปอันนี้จึงเป็นนิสกิยาปาจิปปตตีเป็นปฐมกถินสมุดฐานมีสมุดฐานสองก็คือ อาบัตนั้นเกิดแต่กายวาจาอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดแต่กายวาจาจิตอย่างหนึ่งต้องด้วยกายวาจาแล้วก็กายวาจาจิตเป็นอกิริยาอกิริยาก็คือไม่ถอนนะไม่ถอนหรือว่าไม่อธิษฐานเสียโนสัญญาวิโมกต์ก็คือเป็นอจิตตกะนั่นเองแม้ไม่รู้ติขาบทก็เป็นแม่หลงลือไม่มีเจตนายโลสติขาบทก็เป็นเป็นปันนติวัชามีโทษ ตามพระบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เป็นกายกรรมก็ได้วัจีกรรมก็ได้ก็คือมีจิตสามมีเวทนาสามด้วยต้องด้วยผุ้สอนจิตผู้สอนจิตอภิยญาปัาจิตก็ได้โทมนทัสโทมนทัส อ, อุเบกขาได้ทั้งนั้นอันนี้ปฐมังจบข้อแรกต่อไปสิกขาบทที่สองในนิสสกิยาปยติชื่อว่าทุติยกัถินบางท่านก็เรียกว่าอุดโศสิตาสิกขาบทบ้างอุโดโศสิตะก็คือโรองเก็บของ ความว่าจีวรนแห่งพิกจุสมัมฤทธิ์แล้วก็ถิ่นดาะแล้วถ้าพิกจุอยู่ปราศจากไตรจีวรทั้งสามผืนหรือผืนใดผืนหนึ่งแม้แต่ราตรีหนึ่งผ่านั้นเป็นนิสกีต้องปาจิตตีเว้นเพื่อแต่พิจูได้รับอวิปปวาสสมมุติก็คือสมมุติการอยู่ปราศจากไตรจีวรได้ผ้าสังคติผ้าอุตรสง์ผ้าอันตรวาศกสามผืนนี้พิกจูอธิษฐานตามชื่อแล้วก็เรียกว่าไตรจีวร ต้องรักษาถ้าไม่รักษาทิ้งไว้ให้อารุณขึ้นมาชื่อว่าอยู่ปราจากผ้านั้นก็แลที่ที่จะรักษาชีวอนั้นมีสิบห้าคือบ้านในบ้านนะหมายถึงอมูบ้านเรือนคลังหอรบรงกลมปราศาทปราสาทโรลน้นเรือหมู่เกวียนไร่ลานข้าวสวนวิหารโขนไม้ที่แจ้ง ที่เหล่านี้เจ้าของคนเดียวถ้าเจ้าของคนเดียวล้อมด้วยรั้วหรือกำแพงถ้ามีเจ้าของคนเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าที่แต่ละที่เนี่ยมีเจ้าของคนเดียวแล้วก็ล้อมรั้วด้วยพิสุไวจีวในที่เหล่านี้ก็ให้อยู่ในที่ล้อมนั้นอยู่ในที่ล้อมนั้นไม่ต้องอยู่ในไฮดบารดได้ถ้าเจ้าของคนเดียวแล้วก็มีเครื่องล้อมด้วยถ้าว่าที่เหล่านั้นไม่ได้ล้อม เก็บผ้าไว้ในที่ใดก็ให้อยู่ในที่นั้นอย่ามาละหัตตาบะที่นั้นอยู่ในห้องนั้นก็ได้และอยู่ในห้องนั้นก็ไม่ต้องอยู่ในหัตบาทแต่ถ้าออกมาข้างนอกอยู่ในหัตบาบะของห้องนั้นหรือว่าที่นั้นก็ได้ถ้าที่เหล่านั้นอี่หมายถึงว่าไม่ได้ล้อมไม่ได้ล้อมรั้วถ้าที่เหล่านั้นเจ้าของต่างๆกันคือมีเจ้าของหลายคนเป็นที่ล้อมเก็บผ้าไว้ในที่ใดให้อยู่ในที่นั้นหรืออยู่ในที่เป็นที่ประชุม และริมประตูเป็นที่เข้าออกยามาละหัตถบาทในที่นั้นหมายถึงที่โรงกลมหอรบปราสาทต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในหัตถบาทในที่นั้นได้ไม่ต้องอยู่ในหัตถบาตของผ้าแล้วนะนี่หมายถึงเจ้าของต่างๆกันแล้วก็มีล้วรอมถ้าที่เหล่านั้นไม่ได้ล้อมล้วด้วยเก็บผ้าไว้ในที่ใดให้อยู่ในที่แห่งนั้นเลยยามาละหัตถบาตรในที่แห่งนั้นถ้าไม่จะล้อมล้วก็ต้องอยู่ในหัตถบาทในที่นั้นนะ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 ก็เหตุนั้นต่อไปณนะเบื้องหน้าให้ถึงรู้เถิดว่าของเป็นนิสสคีแล้วต้องเสียสละก่อนจึงแสดงอาบัตตกต่อไปจกไม่กล่าวอีกถ้าตราจีวรทิพตุอยู่ปราดแล้วรู้อยู่ว่าอยู่ปราดแล้วก็วดีสงสัยอยู่ก็ดีสําคัญว่าไม่ได้อยู่ปราดก็ดีก็คงเป็นนิสสคิยะปาจิตตีไตรจีวรทิพตุยังไม่ได้ปัจจุดถรก็คือยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้เสียสละยังไม่หายเป็นต้น ทพิสูจน์สำคัญว่าปาจุดทอนถอนแล้วเป็นต้นกด็ดีสงสัยอยู่กด็ดีรู้อยู่ว่ายังไม่ได้ปาจุดทอนเป็นต้นกด็ดีและอยู่ปราดจากผ้านั้นก็คงเป็นนิจสกีถ้าตรจีวรนพิสูจไม่ได้อยู่ปราดสําคัญว่าอยู่ปราดก็ดีสงสัยอยู่กด็ดีเอามาบริโภคต้องอบัตทุกกฏสงสัยแล้วอย่าเพิ่งไปทําต้องตรวจตราพิจารณาให้เรียบร้อยเก่อนค่อยไปทําไม่งั้นก็ต้องอบัตทุกกฏเพราะสงสัยแล้วคืนทําข้อหนึ่งอ่ะ ปัดจยุดถคือถอนเสียก็ดีเสียสระก็ดีเป็นต้นก็ดีในภายในอรุณและพิคจุเป็นไข้สงสมมติให้อยู่ปราจากาย์ใจจีวรก็ดีพิกจุเป็นบ้าก็ดีเหล่านี้ไม่เป็นอาบัติที่ข้าบทข้อนี้เป็นอนานติก า, บ, าบังคับหรือว่าใช้คนอื่นเขาอยู่ปราจากไตรจีวรตนเองไม่ต้องอาบัติแต่ว่าคนอื่นต้องอาบาัติข้อนี้นะแต่ว่าถ้าไปชักชวนในสิ่งไม่ควรหรือว่าแกล้งก็มีโทษนะนะ มีองค์สี่ก็คือข้อที่หนึ่งผ้านั้นทิสุอธิษฐานเป็นตรจีวรแล้วข้อที่สองไม่มีอนิสงส์กฐินด้วยข้อที่สามไม่ได้อวิปปวาสมมติก็คือสมมุติการอยู่ปราจากตรจีวรข้อที่สี่อยู่ปราจากผ้านั้นราตรีหนึ่งจนอรุณใหม่ขึ้นมาอยู่ตั้งแต่กลางคืนกระทั่งถึงตีห้านะแต่ตีห้ายังอรุณยังไม่ขึ้นแล้วก็ปล่อยให้อรุณขึ้นมาเนี่ยนะ ที่แรกก็รักษาไว้ทั้งวันทั้งคืนเลยรักษาไว้ทั้งคืนเลยแต่ว่าพอตีห้าแล้วเกิดไปเข้าของน้ํานอกกุฏิไม่มีรั้วร้อมวัดด้วยไม่ได้อวิปว่าสมมุติด้วยเกิดอารุณ์ขึ้นมาในตอนเช้านั่นน่ะอันนี้ก็ขาดราตรีต้องอบัตพระอยู่ปราจากไตรจิวันเพราะฉะนั้นเอาตอนขาดราตรีเนี่ยนะเอาตอนอารุณขึ้นน่ะงั้นตอนอารุณขึ้นในี่ตองผ้ามาไว้ใกล้ๆตัวหรือว่าอยู่ในบริเวณที่ผ้าอยู่ด้วยนั้น พรอมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นนิสกียปจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับปฐมกฐินสิกาบทนั่นเองแปลแต่สิกขาบทก่อนไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกับชื่อว่าเป็นอาคิริยาก็แลในสิกขาบทนี้ไม่ปัจจุดถเสียในภายในอรุณชื่อว่าเป็นอาคิริยาเหมือนกันแต่ว่าสมุดฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดก็คือมีสมุดฐานสอง กายวาจาหนึ่งแล้วก็กายวาจาจิตหนึ่งเป็นโนสัญญาวิโมกอาอจิตกะปันนติวัชชะกายกรรมจีกรรมแล้วก็มีจิตสามมีเวทนาสามสำหรับจีวราการจีวราการเรามาดูการละจีวรกับอาการละจีวรในสิกขาบทข้อที่สามในสิกขาบทที่สามชื่อว่าตัติยกถินตัติยกถินหรือว่าการอาการละจีวรเนี่ยนะความว่า จีวรแห่งพิสุสาเร็จแล้วกระถิ่นดอะแล้วผ้าอาการจีวรคือผ้าที่เกิดนอกจีวรการและผ้าที่ทายกเจาะจงให้เป็นอาการชีวรถวายในจีวรการก็ดีผ้าเช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นแกพิสุให้พิกสุผู้จำานงพึงรับแล้วและรีดทำเสียแต่ในสิบวัน ถ้าผ้านั้นไม่พอจะเป็นสังขติหรือว่าอุตราสงหรือว่าอันตราวาตกผืนใดผืนหนึ่งไซส์ถ้าความหมายจะได้แต่ญาตและมิตรเป็นต้นมีอยู่คือความหวัง่ะความหวังว่าจะได้มีอยู่ก็ให้พิสุพึงเก็บผ้าเดิมนั้นไว้เป็นอัตเตเรจีวรเพียงเดือนหนึ่งเพื่อจะผสมกับผ้าที่หมายได้นั้นคือที่เจาะจงหรือว่าที่ตั้งใจไว้หรือว่าที่คิดหมายว่าคาดว่าจะได้ผ้านั้น ถ้าเก็บไว้ให้เกินเดือนหนึ่งไม่อธิษฐานวิกัปเสียแม้ถึงความหมายว่าจะได้ผ้าอื่นมีอยู่ผ้าเดิมก็คงเป็นมิส ก, กิยาปัจจิตีอันนี้ก็ให้เก็บจีวรไว้ได้ติดวันเท่านั้นอันจเดกจีวรตามติขาบทมิส ก, กิยาปัจิติข้อที่หนึ่งนะจี่วารวักเนี่ยแต่ว่าถ้าผ้านั้นไม่พอเนี่ยจะทําชีวรเมื่อความหวังว่าจะได้มีอยู่ให้เก็บไว้ได้เดือนหนึ่งถ้าเกินเดือนหนึ่งก็ผ้าเก่านั่นก็เป็น ในสติปัญจิตีสาหรับชีวรการจีวการานก็หมายถึงตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนัึงถึงเพ็นเดือนสิบสองถ้าไม่ได้กรานกระถินเนี่ยออกพรรษาแล้วนับไปอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแรมหนึ่งข้ามเดือนสิบเอ็ดจนถึงเพ็นเดือนสิบสองเนี่ยเดือนหนึ่งแต่ถ้าได้กรานกระถินก็ยืดออกไปถึงอีกสี่เดือนยืดออกไปสี่เดือนเป็นห้าเดือน นับจะออกพรราไปก็คือเพนเดือนสี่ถึงเพนเดือนสี่เลยอันนี้เรียกว่าจีวรการเป็นการที่สามารถที่จะรับจีวรทำจีวร อ, อะไรได้แล้วก็ยกเว้นสิกขาบทในหลายข้อเลยจีวรการท็กษมโยถ้ามีคำนี้ก็ไม่ต้องอบัดเพราะว่าเป็นจีวรการสิกขาบทนี้ก็เป็นปฐมกสิณสมุทฐานนันแตะแต่ใจาวาจาวาจาใวาจ า, า, จาิด บททานสองอคิริยาบสัญญาวิโมกอาจิตกะปะนานนติวัชะกายกรรมอาจีกรรมแล้วก็มีจิตสามมีเวทนาสามต่อไปในสิกขาบทที่สี่ชื่อว่าปุราณจีวระโทวาปะนะสิกขาบทเนยนะความว่าภิกษุใดใช้นางภิกษุณีที่ได้อุปสมบทแล้วในสองสองฝ่ายคือภิกษุณีสองกับภิกษุสองพิกษุสองฝ่าย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 ในทขบทที่ห้าชื่อว่าจีวรปฏิฆาหนะจีวรปฏิฆะหนะที่ขาบทรับชีวรนจากมือพิกษเสีผู้ไม่ใช่ญาติความว่าพิกษุใดรับผ้าแม้กว้างยาวควรวิจัดแต่มือนางพิกษุณีผู้อุปสมบทในสองสองฝ่ายผู้ไม่ใช่ญาติผ้านั้นเป็นนิสทีต้องปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันแม้ด้วยของเล็กน้อยก็ทําให้ไม่เป็นอันบัติ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 ถ้าเกิเกดไปขอผ้าคุณิกับเป็นปัจฉิมประมาณกับกรหัดผู้มิชญาในประโยคที่ขออยู่ก็เป็นทุกกฎได้มาเป็นนิสกิยาปจิตติเว้นเมื่อแต่สมัยก็คือคราวที่ทิศุมีผ้าอันเขาชิงเอาไปเสียหมดถูกโจรชิงเอาไปหรือมีผ้าอันหายเสียหมดขอได้ไม่เป็นอบัติผู้ที่ติดแฝดกันฝ่ายข้างมารดาหรือบิดาขึ้นไป จนถึงปู่ทวดตาทวดซึ่งเป็นบูรพาบุรุษชื่อว่าญาติญาติก็หมายถึงชั่วเจ็ตระกูลน่ะในคนใช่ญาติคือไม่ใช่ญาติเนี่ยเป็นสิกาปจิตตีคือเขาไม่ใช่ญาติอกนะรู้ว่าไม่ใช่ญาติก็ดีสงสัยอยู่ก็ดีสําคัญว่าเป็นญาติก็ดีถ้าขอเขาคงเป็นตาจิตตีต่อไปข้างหน้านี่ในคําว่าติกาปจิตตีดังนี้ ให้พึงรู้โดยในดังกล่าวแล้วเถิดนะก็คือจะสำคัญถูกหรือว่าจะสําคัญผิดก็ตามหรือว่าจะสงสัยก็ตามเป็นติกะปาจิตติหมดนะก็คือสงสัยหรือว่าสําคัญถูกก็ตามสําคัญผิดก็ตามเป็นอันตรปยาจิตติสามอย่างก็เรียกว่าติกะปาจิตติจะไม่กล่าวพิจาดณาอีกจะกล่าวแต่คําว่าติกะปาจิตติเท่านั้นเขาเป็นญาติพิสูจสําคัญว่าใช่ญาติ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 เรานารแล้วเขก็ถวาย ท, วทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ต้องไปขอนอกก็แลทายกผู้ใดปรนน้าแล้วและไม่ให้ก็เป็นคนข่าวหรือว่าลืมไปทายกเช่นนี้ให้พึงขอนะถ้าเขาปรนน้าแล้วเขาก็ลืมหรือว่าเขาไม่ให้เป็นคนขาวหลงลืมเสมอเนี่ยมันก็ไปเตือนไปนขอได้แต่ถ้าก็ให้อยู่ทุกวันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปขอก็แลชื่อว่าขอเพื่อคนอื่นนั้นคือ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 ญาติของเราหรือว่าคนปรนารของเราดูว่าญาติของพิกษุที่เราจะเอาของไปให้ขอเพื่อคนอื่นเนี่ยขอเพื่อพิกษุใดต้องเป็นญาติหรือคนปรนนารแห่งพิจุนั้นด้วยหรือว่าเป็นญาติหรือคนปรนารของเราอันนี้ก็ไม่มีโทษสิกขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะเป็นอนานติกะไม่ต้องอบัติหลอกถ้าไปใช้คนอื่นก็ทํานี่ใช้คนอื่นให้เขาไปขอเน่ยนะคนขอต้องอบัติคนใช้ไม่ต้องอบัติอนานติกะ เพราะวานให้ภิกษุขอแต่ญาติและคนปรนนาของเธอให้แก่ตนไม่เป็นอาบัติก็มีองค์สี่ก็คือข้อที่หนึ่งผ้ากว้างยาวควรวิ้กลับได้คือแปดนิ้วคูณสี่นิ้วพพะสุขตสเ น, นะครับข้อที่สองไม่มีสมัยถึงข้อยกเว้นข้อที่สามขอกับคนที่ไม่ใช่ญาติข้อที่สี่ได้มา พร้อมด้วยองค์สีนี้จึงเป็นนิสกิยะปจิตีนนีิสกิยะเป็นสัญจริตะสมุทฐานสมุทฐานหกเลยตามสัญจริตะก็คือทักษิณเป็นผัวเมียกรรันเป็นกิริยาเพราะว่ามีการกระทํำก็คือการขอโนสัญญาวิมโมกก็คือเป็นอจิตตกะปันนติวชะก็กายกรรมวจีกรรมมีจิตสามมีเวทนาสามอันนี้ก็เป็นสิกขาบทที่หกต่อไปสิกขาบทที่เจ็ดชื่อว่า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 ผู้เป็นญาติสำคัญว่าไม่ใช่ญาติพอดีสงสัยอยู่กดีขอแล้วยินดีให้เกินกำหนดเป็นทุกกฎที่สุกกล่าวว่าเราจะทำจีวรแต่สองผืนเหลือนั้นจะเอามาคืนให้แล้วเอาไปมา ก, ก่อนก็ดีก็คือเขาเอามาถวายหลายผืนแล้วก็เอาไปห้าผืนแต่ว่ากล่าวบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอามาคืนนะเราจะเอาแค่สองผืนเท่านั้นจะเอาไปทาก่อนและเจ้าของกล่าวว่าเหลือนั้นจงเป็นของท่านพดี อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่จะของบอกว่าถาเหลือเอาไปเลยถือเอาผ้าทิทยกเขาไม่ได้ให้เพราะเป็นคนมีผ้าอันเขาชิงหรือผ้าหายก็ดีถ้าเกิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผ้าหายผ้าถูกชิงออกไปแต่ว่าทายกกํำนัลถวายด้วยศรัทธาอันนี้ก็ถือเอาได้หรือว่าขอแต่ญาติหรือว่าคนที่ปรุณาก็าดีแลกเปลี่ยนเอาด้วยทรัพย์ของตอนที่เป็นกับปิยะก็ดีที่จุเป็นบ้าก็าดีที่จุเป็นบ้าเป็นต้นนะ เหล่านี้ไม่เป็นอบัตสิขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะเหมือนกันไม่ต้องอบัตเก็ใช้นะมีองค์สี่ก็คือยินดีให้เกินกำหนดอย่างหนึ่งอันที่สองก็ไม่มีเหตุเป็นต้นว่าผ้าเขาทิ้งเอาไปเสียหมดอย่างหนึ่งข้อที่สามขอจากคนผู้มิชญาตข้อที่สี่ได้มาเป็นของตนพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นนิสัตขีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสิกขาบทก่อนก็คือเป็นสันจริตสิขาบทนะ สัจจะ้ตตานิสุบุตรฐานหกเลยเป็นกิริยาโนสัญญาวิโมกขจิตก ะ, ะปกานติวัชกะยิกรรมะจีกรรมจิตสามเวชนาสามต่อไปเป็นสิกขาบทที่แปดชื่อว่าปฐมอุ ป, ปัคตะสิกขาบทปฐมอุ ป, ปัคตะสิกขาบทก็หมายถึงเขาปรณาด้วยชีวอนนะแต่ขอเขาทำให้มันดีขึ้นความว่าครหัสผู้มิชญาติเขาเจาะจงทิกตุ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 ถ้ายกเพิ่มมูลค่าซื้อผ้าที่ดีตามคํำพิจุผ้าที่ได้มานั้นเป็นนิสสกีต้องอบัตปาจิตตีอันนี้ก็ตน้นบรญจัพระอุบนันนัทักยบุตรไปบอกเขาให้ซื้อจีวรให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็มีอบัตแต่ถ้าเกิดไปบอกให้เขาซื้อจีวรให้ราคาน้อยลงให้เหมาะสมสมควรกับตนจีวแแรแพงอะไรพวกนี้ก็ไม่เอาเอ า, เอาพอสมควรอันนี้ไม่เป็นไรนะจะดอกให้ลดราคาลงอันนี้ไม่เป็นไร ต่อไปสุขาบทที่เก้าชื่อว่าดุติยะอุปัคขาตะิขาบทอธิบายความเหมือนปฐมอุปัคตาสิขาบทนั่นแหละแตกแต่ในสุขาบทก่อนนั้นเจ้าของคนเดียวภิกษุทําการเบียดเบียนแก่คนคนเดียวในสุขาบทนี้เจ้าของมากภิกษุไปให้เขาเข้าทุนกันชื่อว่าทําการเบียดเบียนแก่คนมากก็คือมีชัภาพ ห, หลายคนที่เขาตั้งใจจะซื้อจีวรถวายพระภิกษุแต่ละคนแต่ละคนก็จะถือพื้อถวายคนละผืนคนละผืน ตัวที่สุบรรณท้าศักยบุตรนี่แหละก็ไปบอกเขาบอกว่าให้สองคนนะ่ะรวมกันเข้าหุ้นทุนรวมกันแล้วก็ซื้อจีวอนขุัเดียวให้แต่ว่าให้มีจวอนราคาดีๆนะซื้อจวอนมีราคาดีอันนี้ก็ต้องบัตรนิสสกิยไปิตีแต่ว่าถ้าเกิดให้เขาลดราคาให้เขาซื้อจีวอนราคาต่าลงนี่ไม่เป็นอบักสิกขาบทที่สิบนี้ชื่อว่าราชาสิกขาบทความว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือว่าขุนนางหรือว่าพราหมณ์หรือว่าพระหามมบดีเขาเจาะจงพิกจุแล้วใช้ทูตให้เอามูลฆ่าจีวรไปซื้อผ้าถวายแก่พิกจุถ้าทูตนั้นไม่ซื้อผ้าเอามูลค่าจีวร น, นั้นไปถวายแก่พิจุว่ามูลค่าจีวร น, นี้เฉพาะผู้เป็นเจ้าถ้าพระเจ้านำมาขอพระผู้เป็นเจ้าจงรับมูลค่าจีวร น, นี้ดังนี้ก็คือเอาเงินมาถวายต่อภิกจุเลย พิจุนั้นพึงกล่าวกัะทูตผู้นั้นว่าเรารับมูลค่าจีวรไม่ได้เรารับได้แต่จีวรเป็นของควรในการที่ควรรับเท่านั้นถ้าทูดนั้นถามพิจุนั้นว่าวัยวิจกรของพระผู้เป็นเจ้ามีหรือไม่ทางนี้ไซพิกจุผู้มีความต้องการด้วยจีวร อ, อยู่ก็พึงแสดงคนรักษาวัดหรือว่าอุบาสกให้เป็นวัยวิจกรด้วยคําว่าผู้นั้นเป็นวัยวิจกรของพิกจูทั้งหลายอย่าว่าว่า ท่านจงให้แก่คนนั้นผู้นั้นเขาจักเก็บไว้ผู้นั้นเขาจักแกผู้นั้นเขาจักซื้อจีวรว่าดังนี้ไม่ควรแต่ว่าควรชี้ควรบอกว่าคนนั้นแลเป็นวัยวิจิตรของพิจุตทั้งหลายถ้าทูตนั้นเขามอบมูลค่าจีวรกับวัยวิจิตรที่พิจูแสดงนั้นแล้วเขากลับมาแจ้งความแก่พิสุตหรือเขาใช้ผู้อื่นให้มาแจ้งความว่า ผู้เป็นเจ้าสแสดงวัทยวชจิตรคนใดวัทยวชจิตรคนนั้นข้าพ เ, เจ้าสั่งไว้ให้รู้เสร็จแล้วผู้เป็นเจ้าจงเข้าไปเถิดขอจักถวายจีวรแก่ผู้เป็นเจ้าในการอันสมควรดังนี้ิสัยทิฏฐุผู้มีความต้องการด้วยจีวรพึงเข้าไปหาวัยยวชจิตรแล้วก็ทวงสองครั้งหรือว่าสามครั้งด้วยคําว่าเราต้องการด้วยผ้าแต่อยากกล่าวว่าท่านจงให้ผ้าแก่เราจงเอาผ้ามาให้เรา แลกผ้ามาให้เราซื้อผ้ามาให้เรากล่าวดังนี้ไม่ควรกล่าวเฉยๆว่าเราต้องการซื้อผ้าหรือาต้องการชจีวรเท่านั้นอย่าไปบอกให้เขาขอจงเอาผ้ามาจงเอาจีวรมาไปแลกผ้ามาไปซื้อผ้ามาให้เราอย่างนี้ไม่ควรผ้าบิกตุโจด ท, ท้วงก็คือทวงสองครั้งสามครั้งได้ผ้าสําเร็จมา ก, ก็เป็นการดีถ้าไม่ได้ผ้าสําเร็จมาไซเธอนั้นพึงเข้าไปเฉพาะต่อ rain, จีวรก็คือเข้าไปายืนเฉพาะหน้าเนี่ยนะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ย เพียงสี่ครั้งห้าครั้งหรือหกครั้งเป็นอย่างมากยืนได้สี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อย่านั่งในอาสนะด้วยอย่ารับอามิต ด, ด้วยอย่าแสดงธรรมแก่เขาด้วยถ้าเขาถามว่าผู้เป็นเจ้ามาด้วยเหตุอะไรพึงกล่าวว่าท่านจงรู้เองเถิดถ้าเธอนั่งในอาสนะหรือรับอมิตหรือว่าแสดงธรรมไซ้ชื่อว่าหักการยืนเพราะว่ายืนได้หกครั้งถ้าไปรับนี่ก็หักนะ ทำเหตุที่มาให้ชิพหายเสียถ้าเธอเฉพาะยืนหมาถึงว่าเจาะจงการยืนนิ่งอยู่เพียงหกขนเนี่ยนะเป็นอย่างยิ่งได้จีวรสําเร็จมาก็เป็นการดีถ้าไม่สําเร็จมาไซตต่อไปเธอพยายามยืนให้ยิ่งกว่าหกขนในประโยคที่พยายามอยู่เป็นทุกกฎได้จีวรสําเร็จมาผ้านั้นเป็นนิสสกิยะปาจิตตีต้องอัปปะจิตตีถ้าไม่ได้ผ้าสําเร็จมาด้วยการยืนเพียงหกขน ไปทวงแล้วสามครั้งแล้วก็ยืนอีกหครั้งเนี่ยเป็นอย่างยิ่งแล้วไซด์หมายดูมันไม่ได้ผ้ามาเนี่ยมูลค่าจีวรเขานํามาแต่ผู้ใดพิจุเพลิงไปหาผู้นั้นเองหรือพึงส่งทูตไปให้บอกว่าท่านเจาะจองพิกจุใดท่งมูลค่าจีวรมาของนั้นไม่สําเร็จประโยชน์สักน้อยหนึ่งแต่พิกจุนั้นท่านจงทวงเอาข อ, ของของท่านเสียเถิดอย่าให้ของของท่านชิดหายเสียเลย อันนี้เป็นความชอบยิ่งในกรรมอันนั้นคือเป็นสามัญกิกรรมถ้าพิกูุไม่ไปเองหรือว่าไม่ตรงทูตไปบอกเจ้าของเดิมต้องวัดตัเททะทุกกฎปัตเภทก็ต้องอบัตบทุกกฎเมื่อไม่ประพฤติตามสามัญกิกรรมนี้ก็ต้องอบัับทุกกฎก็แลกับพิยาการกที่พิจูตแสดงดังนี้พระองค์ทรงอนุญาตให้ทวงได้สามขนยืนได้หกขนโดยกําหนดอย่างอุกฤษังสูงสุดเพราเหตุนั้น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 หรือไปคราวเดียวทวงครอบอกครั้งก็ดีอันหนึ่งในวันเดียวไปบ่อยๆ ย, ยืนครบสิบสองโหนหรือไปคราวเดียวยืนในที่นั้นๆสิบสองแหงยืนสิบสองแหงที่ตัวนั้นก็ชื่อว่าหักทวงหักยืนเสียหมดแล้วก็ไปครั้งเดียวแต่ว่าทวงหกครั้งหกครั้งก็หมดติดทวงถ้าไปทวงได้มาก็ต้องมัิยามปฏิสตีแล้วนะหรือว่าไปยืนสิบสองครั้งเลยสิบสองแหงในวันเดียวก็หมด ไม่สามารถจะไปยืนได้อีกแล้วถ้าไปยืนได้ยูนวันมาก็เป็นนิสสกิยะปัญตีที่ไปทวงไปยืนในวันต่างๆไม่ต้องพูดถึงเลยไปวันเดียวถ้ายืนถ้าทวงหมดเกลี้ยงหกครั้งสิบสองครั้งก็เป็นอันหมดสิทธิ์แล้วกัาพิยาการกที่ทายกแสดงเองทิกตุไม่ได้แสดงนั้นทิกตุจะทวงสักร้อยครั้งก็ควรเพราะฉะนั้นนี่ที่ไปยืนสิบสองครั้งทวงได้หกครั้งเนี่ย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 เป็นกบับยยากรกที่ทายกแสดงเนี่ยพิสุไม่ได้แสดงทวงสักร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่ไดกับยยากรกรใดที่พิสุและทายกไม่ได้แสดงเลยคือกบับยยากรกรับอาสาเอาเองต่อหน้าพิสุก็ดีต่อหน้าทายกก็ดีและกะบับยยากรกที่รับมูลค่าไว้รับหลังก็ดีทั้งสองอย่างพวกนี้พิกสุจะทวงไม่ได้เลยถ้าเป็นกบับยยากรกที่เขาอาสามาเป็นเอง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 หรือว่าซื้อมาถวายเองกับยักษ์กรกตนะซึ่งมาถวายเองก็ดีเจ้าของเดิมทวงมาถวายเองก็ดีพิจุเป็นบ้าเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่เป็นอาบัติทิ่ขาบนข้อนี้ก็เป็นอนานติกะเหมือกันมีองค์สี่ก็คือกับยักษกรกต์พิจุแสดงเองเป็นพิจุแสดงเองอันที่สองทูดบอกกับยักษกรกไว้ให้รู้แล้วบอกพิจุให้รู้ด้วยอันที่สามพยายามคือทวงและยืนให้เกินกำหนด ข้อที่สี่ก็ได้มาด้วยความพยายามนั้นพร้อมด้วยองค์สี่นี้จึงเป็นนิสักีสมุทฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนด้วยอัญญาสกะวินัสติทิขาบทก็คือไปขอจีวรกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นญาตินั่นเองสมุทฐานนั้นเหมือนกันก็คือเป็นสังเจริตะสมุทฐานมีสมุฐานหกเป็นจิริยาโนสัญญาวิโมากาจิตกะ ตันติวัชะกายกรรมวจีกรรมก็มีจิตคา ม, ม, มีเวทนาสามเหมือนกันอันนี้ก็เป็นท้าสมังจบปัตโมวัคโคก็จบรักที่หนึ่งสิทธิศิษบทมีเป็นจีวรวัคต่อไปโกศิยวัค ก, ก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออนุโมทนาสาธุการให้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาแล้วก็มีความเรื่อมใสมีใจในการรับพระวินยัยเพื่ออบรมอธิศีิทธิศิกขาเป็นปัจจัยแก่อธิจิตศิกขาและ ที่ปัญญาสิกขาคอยได้ตัดรู้อริยสัจธรรมประชุมพร้อมโพธิปักยศธรรมมีอริยมรรคมีองค์แปดตา น, นิสุดก็คอยบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างน้อยในชาตินี้คอยห้้นจากทุกข์ทั้งปวงในเทิดสาธุสาธุสาธุ